ปัญหาที่เจ็ถามถึงเรื่องเครื่องรองแผ่นดินข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าแผ่นดินใหญ่นี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศดังนี้คำนิยมไม่เชื่อพระเทระ เมื่อจะวิสัชนาแก้ไขจึงได้เอาธรรมกรกคือกระบอ ก, กรองน้ำตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เอามือปิดปากธรรมกรกไว้เพื่อมิให้น้ำไหลลงไปได้ถือไว้ให้พระเจ้ามิลินทอดพระเนตรแล้วพร้อมกับถวายพระพรว่ามหาบาพิษจงทรงสังเกตดูธรรมกรกนี้เถิดลม ส่งไว้ซึ่งน้ำในกระบอกนี้ฉันใดถึงน้ำที่รองแผ่นดินลมก็รับไว้ฉันนั้นถูกแล้วเพราะผู้เป็นเจ้าปัญหาที่8ดถามถึงเรื่องนิโรธนิพานข้าแต่พระนาคเสนนิโรธคือนิพานหรือถูกแล้วมหาะพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า อย่างไรจึงว่านิโรธคือนิพพานขอถวายพระพรอันว่าภาละปุตุชนทั้งหลายย่อมเพลิดเพลินยินดีในอายาตนะภายในภายนอกวงเล็บเปิดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวงเล็บปิดจึงถูกกระแสตันหาพัดไปจึงไม่พ้นจากการเกิดแก่ตายโศกร่ำไร ไม่สบายกายไม่สบายใจและขับแคนใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับคคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินยินดีในอายตนะภายในภายนอกเมื่อไม่เพลิดเพลินยินดีตันหาก็ดับไปเมื่อตันหาดับอุปทานก็ดับเมื่ออุปทานดับภพบก็ดับเมื่อภพดับชาติก็ดับ เมื่อชาติคือการเกิดดับความโศกความร่ำไรความไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแคนใจก็ดับเป็นอันว่าความดับแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้แหละมหาบาพิษจึงว่านิโรธคือนิพพาน ถูกต้องดีแล้วพระผู้เป็นเจ้า